บทที่สามสิบห้าคณะผู้แสวงบุญพักทิวัดไทยนารันทาซึ่งมีพระมหาทองยอดเป็นเจ้าอาวาสพระมกุเทศบอกภิกษุทั้งห้ารูปว่าพระมหาทองยอดสอบได้ปเปลี่ยนธรรมประโยคเก้าหลังจากบวชได้ไม่นานมีความเชี่ยวชาญในภาษาบาลีสมกับเป็นปเปียนเก้า ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความรู้เรื่องแดนพุทธภูมิเป็นอย่างดีสมภารวัดป่ามะม่วงหมายมั่นว่าท่านจะเก็บเกี่ยวความรู้จากพระมหาทองยอดให้มากเท่าที่จะมากได้เพราะว่านานๆจะได้พบพระป ร, ะรีนก้าวสักครั้งมาจากประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไร่ครับจเจ้าอาวาสวัดไทยนารันทาถามหลวงพ่อวัดดอนเมือง ตั้งแต่วันที่สามกราครับนอนบนรถไฟคืนหนึ่งวัดไทยพุทธคยาคืนหนึ่งและจะมาขอนอนที่วัดของท่านมหาเป็นคืนที่สาวัดนี้มีพระเกี่รูปครับที่อยู่ประจํามีสองรูปคือผมกับมหาทองเลื่อนซึ่งวันนี้ไม่อยู่กลับเมืองไทยเมื่อวานนี้แล้วก็เมจีอีกคนหนึ่ง นอกนั้นก็เป็นพระนักศึกษาซึ่งมาเรียนที่นวนาลันทามหาวิหารและพักอยู่ที่หอพักติดกับมหาวิทยาลัยเสียงดังโวกเวกมาทางทิศเหนือของกุติเป็นเสียงคนพูดภาษาฮินดีหากก็ฟังดูแปลงแปลงพระทวัตจึงถามขึ้นว่าเสียงอะไรครับเสียงแม่ชีเขาสั่งพวกแขกซึ่งเป็นลูกมือทําอาหาร เขากำลังทำอาหารมื้อเย็นให้คณะผู้สแสวงบุญเจ้าอาวาสวัดไทยนารันธาตอบแม่ชีพูดฮินดีได้ด้วยหรือครับสงสัยว่าจะอยู่นานไม่ใช่พูดได้อย่างเดียวด่าได้ด้วยวันๆผมได้ยินแต่เสียงด่าแขกด่าเก่งกว่าเจ้าของภาษาเสอีกพระมหาทองยอดพูดยิ้มๆแม่ชีเขาอยู่ที่นี่นานแล้วหรอครับ พระทวัตรถามอีกเพราะยังไม่ได้คาตอบที่ต้องการเกือบยี่สิบปีแล้วมาจากเมืองไทยพร้อมผมแล้วก็มาหาทองเลื่อนแต่ผมกับมาหาทองเลื่อนกลับไปเมืองไทยหลายครั้งส่วนแม่ชีไม่เคยกลับบอกว่าขอตายที่นี่จะไม่กลับเมืองไทยอีกแล้วเดี๋ยวท่านก็จะเห็นแล้วก็จะตกใจทำไมห่ะครับ พระรถสุคนถามแอบวาดภาพแม่ชีไว้ในใจว่าเป็นสาวสวยวัยเดียวกับท่านเมื่อได้ยินว่าอยู่มาเกือบ20สปีแสดงว่าต้องอายุมากกว่าท่านออกผิดหวังนิดๆในเรื่องอายุหากก็ยังคิดว่าแม่ชีคงจะสวยผิวพรรณผ่องด้วยพลังบุญที่ได้มาอยู่ในแดนพุทธภูมิแม่ชีรอผักที่แขกนำไปล้าง เพื่อนำมาผัดให้คณะผู้สแสวงบุญรับประทานเห็นคนล้างหายไปนานจึงออกมาดูแล้วก็ส่งเสียงดังโบกเวกและคงจะเป็นเสียงด่าพระรสุขคนมองไปเห็นพอดีภาพแม่ชีสาวสวยที่ท่านแอบวาดไว้ในใจจึงอันตรธานไปสิ้นสิ่งที่ตาสัมผัสคือหญิงผิวดำสนิทสวมชุดสีขาวตัดกับสีผิวนั่นไงเข้าละ เป็นไงตกใจไหมเจ้าอาวาสวัดไทยนารันธาถามพระรถสุขนทั้งตกใจทั้งเสียใจเลยครับหลวงพ่อพระนมตอบถือโอกาสเรียกท่านว่าหลวงพ่อตอนนี้แม่ชีอายุเท่าลายแล้วครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามดูเหมือนจะ38ท่านถามทำไม ผมขอทำนายอีกว่าอีกห0สิบปีคือตอนแกอายุห้าสิบห้าแกะจะแต่งงานกับแขกอายุคราวลูกครับพูดตามที่เห็นท่านรู้ได้อย่างไรจะอาวาสวัดไทยนารันธาถามอย่าว่าแต่จะแต่งงานตอนอายุห้าิบห้าเลยอายุ38ก็ยังไม่มีใครยอมแต่งงานด้วย เพราะดุยังกับเสือท่านไม่เชื่อสักนิดว่าเรื่องที่หลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดจะเป็นไปได้ผมก็บอกไม่ถูกว่ารู้ได้อย่างไรแต่ผมมั่นใจว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดอย่างมั่นใจผมก็เห็นอย่างนั้นครับท่านพระครูก็เห็นอย่างที่หลวงพ่อวัดดอนเมืองเห็น และอธิบายเหตุผลที่แม่ชีจะต้องแต่งงานกับเด็กคราวลูกในอีกสิบ้าปีข้างหน้าว่าที่แม่ชีจะต้องแต่งงานเพราะต้องการอยู่ประเทศนี้อย่างถาวรจะได้ไม่ถูกตำรวจมารีดถทยตอนนี้เนื้อคู่ของแม่ชีอายุสองขวบเกิดที่เมืองนานลันทานี่เองคําพูดของท่านพระครูทำให้พระมหาทองยอดเปลี่ยนใจ จากที่ไม่เชื่อเลยมาเป็นเชื่อครึ่งหนึ่งเพราะแม่ชีไม่ได้เป็นบรรพชิตเหมือนอย่างท่านผู้ซึ่งนอกจากจะเป็นบรรพชิตแล้วยังเป็นพระธรรมทูตจึงมีสิทธิ์อยู่ในประเทศนี้ในฐานะพระธรรมทูตไปส่งน้ำให้สบายเนื้อสบายตัวซสก่อนแล้วค่อยมาคุยกันต่อผมให้เขาจัดห้องไว้แล้ว หลวงพ่อวัดดอนเมืองกับท่านพรกครูพักห้องเดียวกันส่วนพระนมหน่สามรูปพักอีกห้องหนึ่งแล้วพระเจริญหลักครับท่านพักครูเป็นห่วงพระมกุเทศที่ชื่อพ้องกับท่านมีห้องสำหรับพระมกุเทศพักเพราะแต่ละคณะที่พามาสแสวงบุญยังแดนพุทธภูมิมักจะมีพระมกุเทศมาด้วยเสมอทางวัดจึงมีห้องพักสาหรับท่าน พระมหาทองยอดตอบขณะที่บรรพชิตสนทนากันอยู่เครือัดที่เข้าห้องพักเตรียมอาบน้ำอาบท่าชำระร่างกายให้สะอาดสะอ้านจิตใจจะได้ผ่องใสเบิกบานและเมื่อรับประทานอาหารเย็นกันแล้วก็จะได้ร่วมกันทาวัดเย็นกับพระภิกษุ จากนั้นก็จะพักผ่อนนอนหลับเพื่อออมแรงไว้สําหรับเดินทางต่อไปอยังเมืองพาราณสีหลังจากทำวัดเย็นและเจริญภาวนาพอสมควรแก่เวลาแล้วคณะผู้สแสวงบุญต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อนหลับนอนเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามเจ้าอาวาสวัดไทยนารันทาว่าท่านมาหาง่วงหรือยังครับหากยังผมอยากฟังท่านเล่า เกี่ยวกับแดนพุทธภูมิท่านพระครูยังไม่ง่วงหรือพระมหาทองยอดถามผมยังไม่ง่วงครับแล้วหลวงพ่อละ่ะง่วงหรือยังครับท่านพระครูตอบพระมหาทองยอดแล้วจึงถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองท่านพระครูยังไม่ง่วงผมก็ยังไม่ง่วงตามเพราะอยากฟังท่านมหาเหมือนกันหลวงพ่อวัดดอนเมืองตอบ ถ้าเช่นนั้นผมก็ขอถวายความรู้ด้วยความเต็มใจท่านอยากรู้เรื่องอะไรในแดนพุทธภูมินี้ถามผมได้เลยถ้าผมตอบไม่ได้ผมก็จะได้รู้ว่ายังมีเรื่องที่ผมไม่รู้ถ้าเช่นนั้นผมขอถามข้อข้องใจสัก2องสามเรื่องเรื่องแรกผมอ่านในพระไตรปิฎกมีข้อความว่าหน้าหนาวให้เปิดหน้าต่าง หน้าร้อนให้ปิดหน้าต่างคนแปลแปลผิดหรือเปล่าครับผมว่าหน้าหนาวน่าจะปิดหน้าต่างไม่ให้ลมหนาวเข้าบ้านฤกุติจะได้อุ่นหน้าร้อนต้องเปิดหน้าต่างรับลมอากาศในบ้านจะได้ทายเทท่านมหากรุณาอธิบายให้ผมฟังได้ไหมครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามเขาไม่ได้แปลผิดหรอกครับ ผมได้ตรวจสอบกับต้นฉบับบาลีแล้วเพราะเมื่อก่อนผมก็สงสัยแบบเดียวกับท่านแต่พอมาอยู่ที่นี่ผมก็ได้คาตอบหายสงสัยเลยคืออย่างนี้ครับท่านชมพูทวีปนั้นอากาศร้อนจัดและก็หนาวจัดผลไม้จึงมีทั้งผลไม้เมืองหนาวเหมือนในยุโรปอเมริกาและผละไม้เมืองร้อนเหมือนบ้านเราหนาวก็หนาวขนาดหิมะตก ร้อนก็ร้อนขนาดควายตายส่วนคนถึงกลับเป็นบ้าสำนวนที่เราใช้กันว่าร้อนเป็นบ้าก็คงจะไปจากที่นี่ที่นี้เวลาหน้าร้อนเขาจะปิดประตูหน้าต่างกันหมดเพราะถ้าไม่ปิดจะมีพายุฝุ่นมากับลมร้อนและลมร้อนก็ร้อนกว่าอากาศในบ้านสิอีกเขาจึงต้องปิดประตูหน้าต่างส่วนอากาศหนาว อากาศหนาวมากเขาก็เปิดประตูหน้าต่างรับแสงอาทิตย์เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นเพราะฉะนั้นข้อความในพระไตรปิฎกไม่ผิดจากความจริงของที่นี่พระมหาทองยอดอธิบายเระครับแม้ผมดีใจที่ได้มาแสวงบนในแดนพุทธภูมิแห่งนี้ทำให้ได้หายสงสยัยเรื่องที่เคยสงสัยมานาน อขอบคุณท่านมหาที่ทําให้ผมหายสงสัยท่านขอบคุณเจ้าอาวาสวัดไทยนาลันทาท่านมหาครับผมอยากทราบว่าสุกรมัทธวะที่นายจุนทะทำถวายพระพุทธเจ้าเป็นปัจชิมบินทบาทนั้นน่ะคืออะไรกันแน่ฝ่ไฟนึงว่าเป็นเนื้อลูกสุกรอีกฝ่ายว่าเป็นเห็ดท่านมหาคิดว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดครับ สมภารวัดป่ามาม่วงถามเรื่องนี้ผมก็มาพบคำตอบในแดนพุทธภูมิเช่นกันเป็นไปไม่ได้ที่สูกระมัธวะจะหมายถึงเนื้อลูกสุกรเพราะหากมาดูภูมิหลังของนายจุนทะเขาเคยนับถือศาสนาของพวกนิกครนหรือว่าศาสนาเชนมาก่อนพวกนี้จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ เขาจะระมัดระวังมากถึงกับเอาผ้าขาวปิดจมูกไว้กลัวว่าจะหายใจเอาชีวะหรือสิ่งที่มีชีวิตเข้าไปอีกประการหนึ่งเขาจะไม่กินลูกสุกรพูดง่ายๆก็คือจะไม่กินหมูที่ยังเด็กอยู่ที่เราเรียกกันว่าลูกหมูคนที่กินเขาจะกินหมูที่โตแล้วอย่างในเรื่องของนายจุนท่าสุกริกที่ปรากฏในคาถาธรรมบท จะบรรยายวิธีกินหมูของคนชมพูทวีปไว้ชัดเจนมากซึ่งท้านนายจุนทธาทำเช่นนั้นพระพุทธองค์ก็จะไม่เสวยแน่นอนผมมาเข้าใจคำว่าสุกระมัทวะที่นี่เพราะคุยกับฝรั่งเศสท่านมหาพูดภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยหรอครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามผมพูดไม่ได้ผมใช้ภาษาอังกฤษคุยกับเขา ภาษาอังกฤษเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับทําให้คนต่างชาติต่างภาษาคุยกันได้เพราะถ้าเราจะต้องพูดภาษาของทุกชาติได้ก็คงใช้เวลานานการที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกขึ้นอีกมากแล้วภาษาฮินดีท่านพูดได้ไหมครับท่านพระครูถาม อยู่ที่นี่ภาษาฮินดีจำเป็นมากเมื่อก่อนคนอินเดียต้องเรียนภาษาอังกฤษเพราะอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษแต่หลังจากได้รับเอกราชแล้วคนอินเดียก็ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษกันแล้วที่วัดมีคนงานเป็นคนอินเดียและคนงานพวกนี้ความรู้ตำ่ำไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษผมจึงต้องพูดภาษาฮินดีได้ ถ้ายอย่างนั้นท่านมหาก็พูดได้หลายภาษาสิครับมีภาษาไทยภาษาบาลีภาษาฮินดีแล้วก็ภาษาอังกฤษสมพานวัดป่ามะม่วงพูดอย่างชื่นชมหากท่านไม่หนีโรงเรียนในสมัยเป็นเด็กก็คงจะพูดภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกันเคยมีฝรั่งก็ถามผมครับว่าบรรดาภาษาต่างประเทศท่านพูดภาษาอะไรได้คล่องที่สุด ท่านทราบไหมครับว่าผมตอบว่าอย่างไรภาษาฮินดีเหรอครับผมไม่ได้ตอบอย่างนั้นถ้าลองทายซิว่าผมตอบว่าอย่างไรภาษาบาลีครับท่านมหาจบป ร, ริญญาเก้าท่านพระครูทายอีกหาก็ทายผิดเพราะพระมหาทองยอดตอบว่าภาษาลาวครับตอนลาวแล้วก็ขมินแตก คนลาวกับคนเขมรอพยพมาตั้งรกรากอยู่ที่อินเดียกันมากผมอยู่ที่นี่นานๆไปก็ชักจะรักคนอินเดียดูหรือเขามีคุณธรรมมากกว่าคนไทยซิออกผมไม่ได้หมายถึงคนไทยทั้งหมดนะครับผมหมายเฉพาะคนไทยที่ประพฤติตนเป็นคนพาลเที่ยวก่อเรื่องเดือดร้อนให้คนอื่นเช่นพวกหัวขโมยพวกนักปล้นนักจี้ทั้งหลาย รวมไปถึงพวกที่ชอบโกงกินพวกชอบตัดไม้ทําลายป่าทั้งหลายที่อินเดียเขาไม่ค่อยมีคนแบบนี้ถึงเขาจะจนเขาก็เที่ยวขอทานเลี้ยงชีวิตแต่เขาก็ไม่เบียดเบียนกันเองไม่เบียดเบียนชาวต่างชาติที่มาขอพึ่งใบบุญผมชอบรัฐบาลอินเดียที่ใจกว้างให้ที่พักหลบภัยแก่ชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นลาวคมร หรือแม้แต่ที่เบตตอนผมมาใหม่ๆก็เกลียดแขกมากจนมีสำนวนในหมู่คนไทยว่าถ้าเจองูกับเจอแขกต้องตีแขกก่อนแต่เดี๋ยวนี้สำนวนนี้เปลี่ยนไปแล้วท่านลองทายซิว่าเดี๋ยวนี้เขาพูดกันว่าอย่างไรคงทายไม่ถูกหรอกครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองตอบท่านพระครูละ่ะลองทายไหม ผมก็คงทายไม่ถูกเหมือนกันครับท่านมาหาเฉลยดีกว่างั้นผมก็เฉลยนะครับเขาพูดว่าถ้าเจอแขกกับเจอพระต้องตีพระก่อนพระแขกหรือพระไทยครับพระไทยนี่แหละท่านรู้ไหมพระไทยที่มาอยู่ที่นี่หลายรูปสร้างความเสียหายให้กับวงการสงฆ์มากจนทาให้พระดีๆต้องพลอยเสียชื่อไปด้วย อย่าให้ผมพูดเลยว่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างเพราะผมไม่อยากสาวไส้ให้กากินบางทีผมต้องพูดแรงๆกับพระที่นอกรีธนอกรอยว่าให้เกรงใจพระพุทธเจ้าบ้างมาแดนพุทธภูมิควรที่จะสร้างความดีไม่ใช่มาสร้างความชั่วผมว่าคนพวกนี้ปรอมบวชมากกว่าหรือไม่กบวดเลี้ยงชีพที่เรียกว่าอุปชีวิกา ไม่ได้บวชเพื่อหวังมักผลนิพพานแต่ประการใดครับท่านมหาวงการพระเราน่าสลดใจมากปัจจุบันเรามีพระเก่งมากมายแต่พระดีหายากเลือกเกินกระหัตก็เช่นกันคนเก่งมีมากแต่เก่งในทางที่ทำให้ประเทศชาติพังพินาศทั้งชจ้สงบังศาสตร์เจ้าราดบังหลวง พวกเขาละทิ้งศาสนาไปหาวัตถุมัวเมาอยู่กับของนอกกายไม่คิดว่าวันหนึ่งตัวเองต้องตายสมบัติพระสถานเอาไปด้วยไม่ได้มีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านก็เอาไปไม่ได้แม้แต่สตางแดงเดียวมีหนามซ้ำยังต้องตกนรกถูกลงโทษทันอีกไม่รู้จะหลบโมโทสันกันไปทำไมท่านพระครูพูดอย่างปรุงสังเวช เมื่อกี้ท่านมหาเล่าถึงคุยกับฝรั่งเศสเรื่องสุกรามัทวะผมอยากฟังต่อครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองนำเข้าสู่ประเด็นกำลังสนทนากันเจ้าอาวาสวัดไทยนารันธาจึงเล่าว่าคนฝรั่งเศสเขาบอกผมว่าสุกรมัถวะเป็นชื่อเห็ุชนิดหนึ่ง ซึ่งที่ประเทศฝรั่งเศสก็มีเห็ดชนิดนี้มีรสอร่อยแล้วก็เป็นเห็ดที่หมูชอบกินคนที่ต้องการไปเก็บเห็ดจะต้องตื่นก่อนหมูถ้าตื่นที่หลังหมูก็จะเก็บไปกินหมดเขาบอกว่าอาหารที่เรียกว่าสูกระมัตวะที่นายจุนทะปรุงถวายพระพุทธเจ้าในคืนนั้นต้องเป็นเห็ดชนิดนี้ไม่ใช่ลูกหมูแน่นอน และผมก็เห็นว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นผมก็ว่าเหตุผลเข้าหน้าฟังเข้าทีดีแต่ในพระไตรปิฎกบอกว่านายจุนทะเตรียมอยู่ทั้งคืนคนก็เลยเข้าใจว่าคงจะตุนเนื้อลูกหมูให้นิ่มเพราะเวลานั้นพระพุทธองค์ทรงประชวนอยู่จะได้เสวยโดยไม่ทรงลำบากนักผมว่าเขาคงตั้งใจมาก เพราะตอนนั้นพระพุทธเจ้าได้เทศโปรดแล้วเขาก็คงจะได้ธรรมาจักสุแล้วเลยตั้งใจปรุงอย่างสุดฝีมือพระพุทธองค์ตรัสกับพระ อ, อนนท์ว่าถ้าจะมีผู้ใดกล่าวทมให้นายจุนทะร้อนใจในภายหลัง ว่าเพราะพระผู้มีพระภาคเสวยบินทบาทของเขาจึงทำให้เสด็จดับขันธะปรินิพาน mm. ก็ขอให้เขาทำใจให้สบายด้วยการบอกเขาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสรรเสริญว่าบินทบาทที่ถวายพระองค์ในสองครั้งคือครั้งที่พระองค์เสวยแล้วได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหนึ่ง ครั้งที่พระองค์เสวยแล้วดับขันธปรินิพานหนึ่งเป็นทานมีผลมากมีอนิสงมากกว่าทานทั้งหลายเป็นกุศลธรรมทำให้เจริญอายุวันนะสุขยศและสวรรค์เพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมขอสรุปว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ดับขันธปรินิพานเพราะเสวยสุกรมัทวะพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานอยู่แล้ว จะเสวยหรือไม่เสวยก็ต้องปรินิพานและพระองค์ทรงทราบล่วงหน้าด้วยการปรงอายุสังขารในวันเพ็ญเดือนสที่เมืองเวสาลีก่อนเสด็จดับขันทัปปรินิพานสามเดือนเป็นอันว่าผมหายคล่องใจในจุนทะแล้วครับทีนี้ก็จะขอเรียนถามท่านมาหาอีกคำถามหนึ่งก็คือเรื่องธรณีสุป ผมไปอ่านในหนังสือเล่มหนึ่งคนเขียนเป็นศาสตราจารย์เขาเขียนไว้ว่าการทิฏฐรณีสูบคือการถูกประชาทันผมว่าไม่น่าจะใช่เรื่องนี้ท่านมหามีความเห็นว่าอย่างไรครับผมก็เคยอ่านหนังสือที่เขียนโดยศาสตราจารย์คนหนึ่งคงจะเป็นคนเดียวกับที่ท่านพูดถึงผมก็มีเห็นด้วยเช่นกัน คนที่เขียนเขาจบมาจากอเมริกาเขามองอะไรเป็นวิทยาศาสตร์ไปหมดเขาก็เลยวิเคราะห์อย่างนักวิทยาศาสตร์แต่ผมว่านักวิทยาศาสตร์คนแรกของโลกคือพระพุทธเจ้าของเราทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบปรามาูปรามาโนที่นักวิทยาศาสตร์ยุค ป, ปัจจุบันนำมาทําเป็นระเบิดปรามาูประหัตประหารกันนั้นพระพุทธองค์ทรงรู้จักมานานเกือบสาม 3,000 ันปีแล้ว วิทยาศาสตร์อีกที่มาค้นพบทีหลังเพราะพระองค์ทรงค้นพบปรามาโนด้วยทิพยจักสุและทรงอธิบายให้เข้าใจในรูปธรรมคือทรงอธิบายว่าธัญญาสะหรือเมล็ดข้าวหนึ่งเมล็ดถ้านำมาแบ่งเป็นเจ็ดส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนจะมีขนาดเท่าหัวเหาหรืออูกา แบ่งอูกาออกเป็น7ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าลิกขาแบ่งลิกขาเป็น36ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่ารัฐาเรโนแบ่งรัฐเรโนออกเป็น36ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าตัดชารีแบ่งตัจชารีออก36สส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าอโน แบ่งอนูเป็น36ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าปรามาณูตอนแบ่งมเมล็ดข้าวหนึ่งมเมล็ดออกเป็น7ส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าหัวเหาหรืออู ก, กาซึ่งเรายังพอมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่พอแบ่งอู ก, กาออกเป็น7ส่วนแต่ละส่วนเราก็มองเห็นตาเปล่าไม่ได้แล้วพระองค์ก็ทรงพยายามอธิบาย ให้เราเข้าใจขนาดของปรามาณูแต่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะค้นพบปรามาณูไม่ไ่ถึงร้อยปีมานี้เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาวิทยาศาสตร์มาตัดสินพระยานตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่เทียบกันไม่ได้เลยสำหรับผมผมเชื่อว่าธรณีสูบก็คือธรณีสูบลงไปจริงๆอย่าว่าแต่สมัยพุทธกาลเลย ถึงยุคปัจจุบันก็ยังมีคนถูกธรณีสูบท่านจ้าุลอาจารย์เคยเล่าให้ผมฟังว่าคนที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากถูกธรณีสูบเพราะตีแม่คนมาดูกันเป็นหมื่นเลยเพราะมาหาทองหยอดรับรองว่าผมก็เคยฟังท่านเล่าเพราะมีพระจากอำเภออุ้มผางมาเล่าให้ท่านฟังอีกทีหนึ่งการที่จายคนนั้นถูกธรณีสูบ แสดงว่าแกต้องตั้งใจคือมีเจตนาที่ตีแม่ให้ตายเหมือนปากว่าที่ผมว่าศาสตราจารย์เขาตีความอย่างนั้นเพราะเขาไปเชื่อวิทยาศาสตร์ที่ไปเรียนมาจากอเมริกาแต่ถ้าเขามาเรียนที่อินเดียและมาศึกษาวัฒนธรรมของสังคมอินเดียเขาก็จะไม่ตีความอย่างนั้น ในพุทธประวัติมีคนถูกธรณีสูบอยู่สี่หรือห้ารายมีพระเทวทัตพระเจ้าสุปปพุทธพระบิดาของพระเทวทัตนันทมานพนางจินจมานวิกาและอีกรายก็ดูเหมือนจะเป็นยักษ์ที่ใช้กระบองฝ้าศาีรษะระสารีบุตรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจอ่านมามากแต่พอนานๆานก็ลืมไปบ้างอีกหน่อยก็อาจจะจาไม่ได้เลย ท่านมหาต้องมันเจริญกรรมฐานโดยเฉพาะสติปัฏฐานครับเจ้าอาวาสบัดฝามะม่วงถือโอกาสแนะนาผมก็ว่าผมฝึกอยู่นะแม้จะไม่ทุกวันก็ฝึกอยู่แต่ผมก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราอายุมากขึ้นมากขึ้นความจำก็ต้องจากเราไปอยู่ดีแต่คนเจริญกรรมฐานจะได้เปรียบตรงที่ว่า จำได้มากลืมได้น้อยกว่าคนที่ไม่ได้เจริญท่านมหาเหล่าเรื่องทรณีสูบทะครับประเดี๋ยวจะดึกเกินไปหลวงพ่อวัดดอนเมืองเตือนด้วยเกรงเจ้าอาวาสวัดไทยนารันธาจะลืม